เลาที่ท่านผู้ฟังเริ่มในการที่จะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือว่าการที่จะฝึกในการที่จะตวนกระแสของตัณหาทวนกระแสของกิเลสในชีวิตประจำวัตนนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองพระองค์องเองก็ได้ใช้ ใช้เสร็จเรียบร้อยรู้แล้วว่าการตรัสรู้เป็นอย่างไรตรัสรู้แล้วก็ยังจะมามีความคิดถึงว่าแม้สัตว์ทั้งหลายที่ว่าจะพ้นผ่านทุกไปได้ก็ต้องใช้เครื่องมือนี้เหมือนกันเครื่องมือนี้ก็คือเรื่องของสติสติคือการระลึกได้ไม่ว่าเราจะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงมาสังเกตลมหายใจ ปฏิบัติในห้องพระหรือว่าปฏิบัติตามวัดหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ตามป่าตามเขาการปฏิบัตินั้นก็ต้องมีเครื่องมือที่เราต้องใช้คือเรื่องของสติหรือแม้แต่เราอยู่ที่ทํางานกําลังทํางานอยู่อาจจะมีเพื่อนร่วมงานมากวนอาจจะมีสายเข้ามาเป็นเจ้านายโทรมาด่ามาว่าหรือในขณะที่เรากําลังใกล้ค ร, ครวนคิดงานเราก็ต้องมีสติรักษา หรือแม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทา ง, เ ด, ทางทเดินทางไปที่นั่นเดินทางไปที่นี่ใช้รถขึ้นเครื่องบินขับจักรยานหรือแม้แต่กำลังเดินอยู่จิตของเราก็ต้องมีสติรักษาทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจิตที่ไม่มีสติรักษาในตะบูฟังมันก็จะไปทั่วที่ทั่วแดนตัวเราอาจจะนั่งอยู่อาจจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วย ขยับกายขยับแขนขยับขาไม่ได้แต่ถ้าจิตหลงลืมสตินะโอ้มันไปทั่วทิศทุแดนเดี๋ยวไปคิดเรื่องไม่ดีไปคิดเรื่องไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนไม่มีสติเป็นเครื่องป้องกันจิตใจนั้นก็จะเป็นการท่องเที่ยวไปในดินแดนที่ไม่ดีแต่เป็นจึงไม่ดีแนะ่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามจิตเราเป็นจิตที่มีสติรักษาอยู่ บางทีคุณอาจจะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดการคิดงานคิดในการที่จะทำอะไรต่อไปแต่ความคิดนั้นถ้ามีสติรักษาเนี่ยความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันก็จะไม่ไปในดินแดนที่เป็นอกุศลพระเจ้าเองก่อนการตรัสรู้ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็ได้แบ่งความคิดออกเป็นสองส่ว น, นคือส่วนที่เป็นอกุศลเรื่องของความคิดในทางการพยาบัติเปลี่ยน ส่วนที่เป็นกุศลคือส่วนที่เป็นความดีความงามเรื่องของความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการไม่เกี่ยวข้องโดยปยายบาติแล้วก็ไม่เป็นการเบียดเบียนแบ่งความคิดออกเป็น2 ส, ส่วนนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าจิตของตัวพระองค์เองไปตกอยู่ในบริเวณความคิดที่ไม่ดีก็มีสติรู้อยู่พยายามที่จะละมันเสียเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราตั้งอยู่ใน ดินแดนที่เป็นกุศลธรรมได้ก็มีสติประกองรักษาสภาวะนั่นเอาไว้นต่ทำให้เจริญทําไม่มากกระบวนการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นโดยการที่ให้จิตเรามีสติสติจริงๆแล้วจะมุ่งหวังก็เป็นผลแต่เป็นผลอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติสติที่บอกว่าเป็นผลนั้นคือเป็นลักษณะของผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากระทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากระทำนั้นคือเรื่องของความพยายามที่เราจะตั้งจิตกเกี่ยวขึ้นความพยายามความเพียรการทําจริงการแน่วแน่จริงตรงเนี้จะเป็นเหตุของการทําสติให้เกิดขึ้นสติแปลว่าการระลึกได้แต่เพียท่านังเวลาที่เราจะมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพื่อที่จะไม่ให้ใจของเราเบนไหลไปนในทางต่ํา ไม่ให้ใจของเราไปในทางที่เป็นอกุศลเนี่ยอาการระลึกได้ตรงนี้ที่ตั้งที่ระลึกถึงนี้ที่ตั้งที่ระลึกถึงที่มันอยู่ในแดนที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลละเพราะฉะนั้นที่ตั้งที่ระลึกถึงนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่พระเจ้าให้เอาไว้เป็นหลักไว้ก่อนก็คือเรื่องของกายเนี่ใช้กายเป็นฐานที่แต่งการระลึกถึงได้หรือว่าคุณจะใช้เวทนาคือความรู้สึกใช้จิต หรือว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้อันนี้เป็นหลักการแต่ทีนี้วิธีการวิธีการในการที่เราจะมาเข้าถึงไอ้สสถานที่นี้วิธีการในการที่เราจะใช้4สถานที่นี้เป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงเนี่ยวิธีการก็ให้ไว้ทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าเป็นอนุสติ10อย่างแตอนุสติ10อย่างนี้ก็เริ่มจากเช่นว่าเรามาระลึกถึงลมหายใจแต่สิ่งที่เราฝึกกันอยู่เป็นประจำ ท่านผู้ฟังในขณะที่ฟังรายการเนี่ท่านจิงของท่านผู้ฟังอยู่กับลมหายใจเนี่ยตั้งสติขึ้นเอาไว้อยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติเนยใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ได้ในการระลึกถึงเนยซึ่งตัวนี้ก็เป็นทั้งกายเวทนาจิตละตัมอยู่ในนี้หรือว่าถ้าในขณะที่ฟังรายการอยู่แล้วยก็นึกถึงพระพรุทธเจ้าไปด้วยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านี้อาหนี้ก็เป็นพุทธานุสติ เนี่ยก็เป็นฐานที่ต่างอย่การระลึกถึงจุดนั้นก็จะอยู่ในธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเครื่องมืออย่างอื่นก็เช่นผูุ้ตานุสติก็มีแต่ธรรมานุสติการระลึกถึงธรรมะฟังธรรมะไปไคร่ครวนตามธรรมะไปได้ยินได้ฟังธรรมะมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้ดีแล้วการระลึกถึงธรรมะตรงนี้เนี่ยก็เป็นธรรมานุสติหรือจะระลึกถึงพระสงฆ์ เราระลึกถึงการปฏิบัติของตัวเราเองการทําความดีหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่เป็นตัวเป็นๆครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออันนี้ก็เป็นสังกานุสติได้เนงตัวอย่าง 2- องสตัวอย่างที่ยกมาให้เนี่ยที่พูดถึงว่าเป็นครเครื่องมือในการที่เราจะใช้เพื่อที่ให้จิตของเราตั้งขึ้นจิตที่มาตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นกุศลเนี่ยอันนี้ชื่อว่ามีสติตั้งขึ้นได้ ตสติกับจิตมาด้วยกันจำเอาไว้เลยจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติแต่ถ้าจิตไม่มีสติจิตนั้นก็จะวันวะน่นวายสั่นสะท้านสเทือนไปตามภาษาที่มากระทบภาษามากระทบตอนไหนต้องหวังว่ามันไม่ได้มากระทบเฉพาะตอนที่คุณนั่งสมาธินะมันไม่ได้มากระทบเฉพาะตอนที่คุณทํางานมันมาทุกเวลาตอนหลับมันก็ไม่เว้นภาษาเนี่ยขณะที่เรานอนอยู่อาจจะฝัน จะมีความรู้สึกถึงยุงกัดมีอะไรมากระทบเสียงดังตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็จะมีผัสสะเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้แต่ตอนที่เราขับรถทำงานฟังเสียงดูทีวีฟังวิทยุอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆนิ่งๆทั้งหมดเหล่านี้มีผัสสะเกิดขึ้นถึงสิน้นเพิรานท่าผัสสะที่มากระทบเนี่ยแต่ไม่ใช่ของเรามีความลุ่มหลงเป็นไปเพื่อความพอใจอันนี้ก็ ภาษาประเภทหนึ่งใจของเราก็จะเดือดร้อนหรือถ้าภาษานั้นมากระทบเป็นลักษณะที่ทำให้โกรธไม่พอใจวก็ใจของเราก็เดือดร้อนเพรา ะ, ะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ก็จะเดือดร้อนไปตามภัษะที่เป็นไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมรมที่น่าพอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจบ้างนั้นมันเดือดร้อนขึ้นรงอยู่อย่างนี้ แน่นอนมันจะทำให้ใจของเราสั่นสะท้านสะเทือนวันไว้ไปตามสิ่งที่มารกระทบเพราะนั้นด้จริ ง, งเรามีสติน้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เวลาที่เราจะตั้งสติขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าเราต้องมีเครื่องมือซึ่งสตินั้นเป็นเป็นผ ล, ลเป็นสามัญญผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำความเพียรนเราพยายามที่จะตั้งสติโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้ในเครื่องมือต่างๆเหล่านั้น เช่นลมหายใจเอาเราใช้หลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่สติเกิดขึน้นเป็นผลจากการที่เราทําความเพียนในเรื่องของการที่เราจะมารู้หลมหายใจแต่คนที่จะมาทําความเพียนจะมาตั้งความเพียนในการที่จะให้จิตเราอยู่ในฐานที่ตั้งเนี่ยคนนั้นก็จะต้องมีความศรัทธามีความมั่นใจมีศรัทธามีความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติ มีความศรัทธามีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความศรัทธามีความมั่นใจในผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ CBD. ซึ่งไอ้ความเพียรนั้นก็เป็นผลเหมือนกันเป็นผลของศรัทธานั่นเองถ้าใจของเรามีศรัทธามีความมั่นใจถ้านราฟังมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามั่นใจถึงในระดับที่ทําให้เกิดการปฏิบัติเพราะนั้นความมั่นใจ ความศรัทธานี่จึงเป็นเหตุที่จะทำผลคือการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจะทำผลคือความเพียรทำผลคือความทำจริงแน่จริงในการทำานี่ให้เกิดขึ้นได้ศรัทธาที่เราจะต้องมีนั้นคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในกระบวนการมีความมั่นใจในวิธีการการทำการปฏิบัติตรงนั้นวิธีการตรงนี้ก็คือมีความศรัทธาในประธรรม เราก็มีความศรัทธาในการปฏิบัติว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติแล้วทําแล้วก็จะต้องได้ผลเป็นอย่างนั้นแต่ศรัทธาในอย่างที่สตัวนี้คือศรัทธาในสงฆ์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลักบุคคลมีศรัทธาอย่างนี้มีความมั่นใจอย่างนี้จะทาการปฏิบัติการทําจริงการเอาใจใส่อย่างจริงให้เกิดขึ้นได้ศรัทธาที่พูดถึงในเรื่องของพุทธธรรมสังกายนี้ก็คือการมีที่พึ่งตนเองเท่านว้น แตเราต้องอาศัยพระพุทธประธรรมพระสงค์เนี่ยเป็นที่พึ่งาการอาศัยเป็นที่พึ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการอาศัยเป็นที่พึ่งนี้เพื่อให้เกิดการทําจริงแนวแน่จริงแต่คือคนที่มีความศรัทธาจริงๆเนี่ยมันทําแน่คนที่มีความมั่นใจในวิธีการมั่นใจในตัวผู้นํามั่นใจในการปฏิบัติแล้วยังไงเขาก็จะทําจริงทําถูกทําผิดบ้างยังไงก็ยังจะลองทําเริ่มทํา เริ่มตั้งความเพี่ยนเอาไว <ellt on. S 2> ้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยเราจะมีการกระทำศรัทธาจึงเป็นเหตุของผลคือความเปลี่ยนถ้าเรามีศรัทธาเป็นเหตุนี่เป็นเหตุสิ่งที่เราจะต้องตั้งเอาไว้สิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีผลคือความเพี่ยนความเพี่ยนก็เป็นสามัญญผลสติก็เป็นสามัญญผลเป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาในคําสอน เป็นผลที่เกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาในการตระสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาในการปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันจะต้องได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะทําความศรัทธาให้เกิดขึ้นนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโ่าฟังนต่ว่าใครสกักคนใดคนหนึ่งจะมีความศรัทธามีความลงใจมีความมั่นใจอย่างที่บอกมาแล้วซึ่งแน่นอนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจึงประกาศเอาไว้เนี่ยไม่ได้สําหรับทุกคน หมายความว่าไงว่าคําสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่สําหรับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วคําสอนเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนแต่ถ้าคุณเอาไปใช้คุณใช้ได้แน่นอนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามต่อให้เป็นสัตว์นรกแม้ถ้ามีศรัทธาในคําสอนของพระุทธเจ้าแต่คุณพ้นจากนรกแน่นอนจิตใจคุณจะสูงขึ้ น, นทันทีถ้าคุณเป็นเทวดาแต่คุณละความอยากในการละความที่การเผาร้อนอยู่ก็ทำใหจิตใจให้สูงขึ้นได้ เทวดาก็ปฏิบัติได้มนุษย์ก็ปฏิบัติได้แต่ทุกคนน่ะปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นสัจธรรมแต่ลักษณะการทํางานของจิตก็จะเหมือนกันมีบาศาทก็ต้องมีเวนามีเวตาก็ต้องมีตันหาจะทําไงถึงจะตอนตันหาได้ก็พูดถึงเรื่องของมรรคแต่ซึ่งมครรคคือเส้นทางนั้นทุกคนก็เดินตามได้แน่แต่ที่บอกว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สําหรับทุกคนเพระาะว่าแต่ละคนมันศรัทธามไม่เท่ากันบางคนก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์นี้ มีศรัทธาในพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปก็มีแตนะ่ซึ่งบางคนก็เป็นโพธิสัตว์แนตะ่ตามความเพียนบัมเป็นบา ร, รมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่ประนั้นคําสอนของสมณะโคโดมเนี่ยก็จะไม่ใช่สําหรับคนนั้นในะคําสอนของสมณโคโดมเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันคือในยุคนี้แต่เป็นยุคของสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าโคตมะนามสกุลโคตมะหรือโคดมชื่อสินทัะ ในะเป็นสมัยของพุทธเจ้าองค์นีนะ้ซึ่งในสมัยต่อไปหลังจากที่คําสอนของสมณะโคโดมเนี่ยเลือนหายไปแล้วนะคนจํากันไม่ได้แล้วก็จะมีพระุทธเจ้าองค์ต่ อ, ต, อต่อไปมาอุบัติขึ้นไปเรื่อยๆที่จะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็อีกนับไม่ถ้วนละ่นะค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละท่านทีละท่านนะตามคิวตามกําลังบําเพ็ญบารมีที่บําเพ็ญมาซึ่งพพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ย ก็จะมีการสร้างศรัทธาในเกิดในหมู่สาววงของเธอเองซึ่งบางคนเนี่ยได้สร้างศรัทธามีความมั่นใจในบุคคลนั้นซึ่งถ้าบุคคลนั้นจะมาเป็นพระพุทเจ้าองค์ต่อไปแต่การที่เขาจะมารู้ตามปฏิบัติตามให้มีศรัทธาในพระพุทเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นั่ก็คำสอนนี้ก็จะไม่ใช่สําหรับบุคคลเหล่านั้นอันนี้ก็จะมีประเภทนี้ก็มีหรือบางคนเนี่ยยังต้องได้รับผลของกรรมไปอยู่ก่อน เช่นว่าต้นได้รับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ก่อนเนื่องจึงสามารถที่จะมาปลูกศรัทธาได้แบบนี้ก็มีแต่นะคือคนที่บารีทว่าต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ก็ไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ก็มีเนะื่งต้องไปได้รับผลของกรรมบ้างอะไรบ้างพวกนี้อินทรีย์อ่อนอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะเห็นตามได้เพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าสําหรับทุกคนแล้วมันสำหรับเปล่าไหมแต่สําหรับตัวท่านผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่นี้หรือไม่แน่นอนละมันอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนแต่มันสําหรับฉันหรือเปล่าเราจะรู้ได้อย่างไรแต่ก็ลองดูสิว่าถ้าเราได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วฟังไปแล้วกไกรโครวนแล้วฟังใจรายการวิทยุนี่แหละฟังมาแล้วกี่รอบก็ไม่รู้แต่ฟังมาตลอด ได้ฟังแล้วรู้สึกหรือเปล่าว่าจิตใจของเราสามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้ทำการศึกษาไม่ได้มาใส่ใจฟังเนี่ยจิตใจของเราจะไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แต่ถ้าเราเป็นบุคคลประเภทนี้นั่คือถ้าได้ฟังแล้วจิตใจมันจะดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นมีผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ได้ฟัง มันจะไม่ดีไม่ได้แต่ไม่เป็นเนี่ยอันนี้แสดงว่าธรรมานี้เนี่ยสำหรับเราธรรมะคือคำสอนของพระชาวนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามได้ที น, นี้บางคนอาจจะฟังครั้งหนึ่งสองครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคำสอนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับบุคคลนั้นนะอาจจะเป็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีการเรียนรู้การทาความเข้าใจในที่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่น ดั้นถ้าบอกว่าเราฟังแล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องเราฟังแล้วยนก็ไม่ค่อยเข้าใจมีส่วนที่มีความสงสัยอยู่อาจจะยังทําไม่ได้ในบางจุดบางประเด็นเราก็ลองพยายามที่จะทําความเข้าใจดูนั้นเพราะว่าไอาการที่เราพยายามที่จะลองทําความเข้าใจดูเนี่ยแสดงว่าเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ จ, จะยังทําผลให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะงั้นไอาการที่เรามาเริ่มทําลองทํายังฟังอยู่เนี่ยอย่างน้อยความมั่นใจมันมีในระดับหนึ่ง มากน้อยไม่เท่ากันละทีนี้ผลของการปฏิบัติน่ยมันก็อาจจะยังทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ตามลำดับตามกําลังของคนซึ่งตัวนี้มันก็อยู่ที่ศรัทธาเพราะว่าคนที่จะมาทําให้ได้เกิดผลเนี่ยมันต้องมีศรัทธาแน่เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันต้องอาศัยการปลูกตามฟังน่าค่อยๆปลูกเหมือนต้นไม้เราเอาเมล็ดมันมาก็ต้องเพาะชาาําออกมาให้เป็นต้นกล้าอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดได้รับการควบคุม มีน้ำมีอะไรต่างๆอย่างดีโตพอสมควรแล้วก็เอาไปลงดินลงดินแล้วก็ยังต้องดูแลรักษานะให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาโตขึ้นมาปีหนึ่ ง, งปีก็ยังต้องมีการใส่ปุ๋ยดูแลวัชพืชแลว้วความมันจะออกผลเนี่ยก็ต้องใช้เวลาบ้างเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงเรียกเรื่องของศรัทธาเนี่ยว่าเป็นลักษณะของการปลูก น, นคือปลูกศรัทธาค่อยๆเลี้ยงทาให้มันโตแล้วค่อยป้องกัน คอยดูแลรักษาคอยบำรุงดูแลรักษาคอยในการที่จะมันรดน้ำปรุนดินใส่ปุ๋ยถึงเวลามันก็จะค่อยเติบโตขึ้นออกผลต่างๆออกมาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติของเราที่ข้าพเจ้าพูดมาเรื่องตั้งแต่ของการที่เราจะต้องมีสติเนี่ยเป็นเรื่องมือที่สำคัญคนที่จะมีสติได้ก็ต้องอาศัยการฝึกการทาอย่างจริงจัง การที่เราจะมาทำมาฝึกอย่างจริงจังได้คุณก็ต้องใ ส, ส่ศนระัทธาและซึ่งศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปต่อได้เป็นกำลังเป็นความขับดันที่จะทำให้มีความเพียรมีสติตั้งขึ้นอยู่ได้ซึ่งสตินั้นก็จะนำต่อไปละนะไปสู่เรื่องของการมีสมาธิไปสู่เรื่องของการที่เราจะหลุดพ้นมีวิมุตติมีนิพพานเกิดขึ้นได้ เวลาที่เราปฏิบัตินั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปเส้นทางในการดําเนินตรงนี้บางทีก็ยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ยาวชั่นไม่เท่ากันเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีกิเลสมากน้อยไม่เท่ากันหนาบ้างเบาบางบ้า ง, างมีทุลินดวงตามากก็มีน้อยก็มีอานสอนให้รู้ตามได้ง่ายก็มีอ่านสอนได้ยากก็มีแปไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทไหนเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะมาปรับใช้ กับในชีวิตประชาชนของเราได้นั่นพระพุู้เช่าในที่นี้หมายถึงพระผู้เช่าองค์นี้ก็ตามองค์ต่อไปก็ตามสักองค์ใดองค์หนึ่งแต่ที่คําสอนของแต่ละท่านแต่ละองค์ก็จะเหมือนกันแหละแต่บางคนอาจจะโปร่งใจในองค์นี้ไม่ปร่งใจในองค์นั้นเพื่อนท่านในสมัยนี้เรามีพระผู้เช่าองค์นี้อยู่แล้วแต่ขอให้มีความมั่นใจในสมณโคดมรถไฟขบวนนี้ท่านผู้ฟังเราก็กําลังจะพาผู้โดยสารนั้นไปสู่ที่หมายที่ปลอดภยัย ตอนนี้กระบวนกใกล้จะสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่สุดท้ายดีกระบวนการมันก็ไปเรื่อยๆนะมีกระบวนนี้กระบวนนั่นกระบวนกนอ น, นแต่กระบวนเนี่ยมันกําลั ง, งกใกล้จะหมดอยู่เพราะว่าคําสอนนั่นก็จะค่อยเลือนลางหายไปเราอยู่ในช่วงของคําสอนที่กําลังจะค่อยๆเลือนลางไปนั่นะคือตั้งแต่พระเจ้าปริปรนิพพานไปแล้วเนี่ยคำสอนก็จะค่อยเลือนหายไปตรงนั้นตรงนี้ประสูนยคนที่จดจำอะไรต่างๆก็จะค่อยเลือนหายไป จนตั้งถึงที่สุดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดเรื่องของผลได้แตนะ่ตงนั้นก็จะเป็นจุดที่เอาละสิ้นสุดคําสอนของพระชจ้าองค์นี้ไปนั่นคือเรียกว่ารถไฟขบวนสุดท้ายเรียกว่าเป็นบุคคลสุดท้ายในธรรมะวินัยนั้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเรายังมีอริยะบุคคลอยู่ในโลกของเรานี้ยังมีการปฏิบัติตามบาริยามากมีองค์8อยู่คําสอนยังดีอยู่แตนะ่รถไฟขบวนนี้ยังไม่สุดและยังมีการดําเนินต่อไปอยู่แต่ขอให้ เราจับรถไฟขบวนนี้ให้ได้เพื่อจะพาไปสู่ที่หมายที่ปลอดลายเพราะถ้าหมดขบวนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องรออีกนะ น, นานนานกว่าขบวนต่อไปจะมาแต่ขบวนต่อไปกของพระเจ้าที่ชื่อเมตยะสัมมาสัมพุทธะจะมาก็อีกนานมากแต่แต่ในเมื่อเราเจอรถไฟขบวนนี้แล้วให้เราจับซะให้เราขึ้นซะให้เราตามซะให้เราตามการปฏิบัติและตามกระบวนการที่พระเจ้าสอนไว้ ซึ่งก็จะสอนเหมือนกันนั่นแหละรถไฟคันต่อไปที่จะมาก็นหน้าตาเป็นแบบนี้รถไฟคันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละซึ่งผู้โดยสารที่อยู่ในรถก็จะเหมือนกันนั่นแหละเราภิกษุสงฆนะ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวัดไหนเหนือกลางอีสานใต้ในประเทศต่างประเทศถ้าเปิดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในมรรคเหมือนกันอยู่บนเส้นทางเหมือนกันเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าถ้าเราจะรอขบวนต่อไปหรือดูในขบวนนี้จะเอาโบกี้ไหนก็ตามมันก็พาไปถึงจุดหมายเดียวกันนั่นเองในให้เรามีความมั่นใจมีความโปล่งใจและปร่งศรัทธาลงไปบุชเจ้าได้เคยราลไว้ตอนนั้นสามบดีพรมได้มาอาราธนาบอกถึงว่าสัตว์ที่มีทุลินิดวงตาแต่น้อยก็มีบุตเจ้าพิจารณาดูแลเห็นตามนั้น วราสัตวที่ me, อินทรียอ่อนก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีสอนให้รู้ตามได้งานก็มียาก็มีนืจึงได้ตัดสินใจที่จะขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมแล้วก็ได้บอกกับสมบัดีพรมพูดถึงคาถาหนึ่งที่เรียกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นธมะตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสตประสาท ตัดเหล่านั้นจงปร่งศรัทธาลงไปเถิดท่านอมตะฟับบงมีหูคือโสตประสาทนั่มีใจคือสามารถรับรู้ได้ยินทางเสียงได้นั่นให้โปร่งศรัทธานัาปรงศรัทธาลงไปที่จะสู่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะนั่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเปิดไว้แล้วเส้นทางก็คือมาจากสติมีความเพียรมีศรัทธา มีศรัทธาและจะทำให้เกิดความเปลี่ยนขึ้นมีความเพี่ยนการทําจริงแน่นแน่นจริงแล้วสติของเราจะตั้งขึ้นได้เป็นผลเกิดขึ้นได้สติที่เป็นผลนี้ก็จะนําสมาธิทําปัญญาทําความรู้แจ้งทำความวิมุตติหลุดพ้นให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เวลาที่ใจของเรามีความหลุดพ้นผ่านพ้นจากเรื่องเครื่องข้องผ่านพ้นจากเรื่องของ การที่จะต้องถูกรัดรึงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกรัดรึงด้วยตัณหาที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเราผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เราก็เรียกว่าเป็นอิสระและมีอิสระภาพเป็นอิสระภาพจากตาหูจมูกลิ้นกายใดใดใและใจในจิตที่เป็นอิสระตรงนี้คือความผ่านพน้นในความเกษมความร่มเย็นความปราศจากเครื่องข้องนั่นเอง และคนที่จะมีศรัทธาถึงความปรองใจเชื่อมั่นในคําสอนไดน้สิ่งที่ต้องคลายไปในดับแรกก็คือเรื่องของความลังเลความเคลือบแคลงถ้าเรามีความลังเลความเคลือบแคลงอยู่เราจะไม่สามารถปรงศรัทธ า, ถาลงไปได้ความลังเลความเคลือบแคลงนั้นบางทีก็สามารถที่จะเอามันออกได้โดยการที่ถามคําถามบางข้อบางประเด็นเพราะฉะนั้นใต้ทั้งังมีคําถามในบางข้อบางประเด็น ที่จะสามารถที่ทำความเคลือบแคลงของเราเนี่ยให้มันออกไปได้แล้วก็สามารถติดต่อทางรายการได้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่ารบษนียบัดส่งมาหาข้าพเจ้าได้ในที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่หนึ่งหมู่8ตํตำบลดอนไห่โศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะดอ p u r e d h a m m a c o m เมื่อได้รับข้อความได้รับจดหมายแล้วเจ้าพระเจ้าก็จะนํามาตอบในรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีความแจ่มแจ้งมีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้า น, นั่นเองและสิ่งที่จะมาทําให้ใจของเรานั้นไม่สามารถปลงศรัทธาลงไปได้นอกจากเจ้าเรื่องของความเคลือบแคลงความเห็นแยง้งก็ยังมีเรื่องของความคิดที่มันจะมาเบียเบ่ยนเบนเฉยเฉยไปในเรื่องของกาม ที่จะมาดึงใจของเราให้ไปสนใจทางเรื่องอื่นอันนี้เราก็ต้องระวังแต่ถ้าบอกว่าใจของเราเป๋ไปทางอื่นในเรื่องของกลามแล้วมันจะมีความศรัทธามีความมั่นใจได้มันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังเรื่องของกลามด้วยอยีกประการหนึ่งที่จะทําให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้ามีความไปได้ตลอดรอดฟังขึ้นกระบวนลาถไฟนี้ได้ก็คือเรื่องของการที่มีมิติความมีก็เลยนั่นเอ ความีเพื่อนดีที่จะชักชวนกันไปในทางดีอันนี้จะช่วยได้มากทีเดียวแต่บุคคลที่จะชักชวนให้เราไปฟังธรรมะบ้างไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการปฏิบัติธรรมบ้างการให้ทานบ้างอันนี้จะค่อยทำจิตใจเราให้สูงขึ้นแต่เวลาเราจะเลือกคบกับใครก็ดูซิว่าบุคคลนี้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราไหมและเราก็ควรจะคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าเรา เนื่อเพื่อที่จะให้เราได้มีศีลสมาธิปัญญาสูงขึ้นเนื่อเพื่อที่จะให้เราได้รู้ธรรมะใกล้ธรรมะมากขึ้นเน่นเพื่อนดีกเรียนนมิตรอันนี้ก็จะมีส่วนเพื่อนดีตรงนี้เราอาจจะหมายถึงอาจจะเป็นคารวะที่มีอายุเท่ากับเราอายุมากกว่าเราหรืออายุอ่อนกว่าเราก็ได้ไม่เป็นไรแต่ดูที่ศีลของเขาหรืออาจจะหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้มีการชักชวนกันไปทําความดีเราครบบุคคลผู้นี้เ น, นเป็นลักษณะมิตรเนื้อที่จะพากันไปดีอันนี้ก็จะทําให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าเดินไปได้อย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้เราอาจจะใช้อริยมรรคมีองคเป็นกระแลในมิตรของเราก็ได้เวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากสถานการณ์คับขันต้องการหาคนช่วยเหลือเนะีให้ใช้มรรคนี้แหละเป็นเพื่อนที่จะช่วยเรา ให้ดำรงอยู่ในทางให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้มีความมั่นใจกลายความกังวลใจแต่ถ้าเราอยู่ตามทางของเราอยู่ดีแล้วชื่อว่าเรานั้นก็มีเพื่อนดีแล้วเหมือนกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วทํานบวชกับชา้าพระพิบูลอภิปุนโนจากวัดป่า ด, ดอนหาโศกก็คาราไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปส